ทำการสลัดออกจากภพแห่งตนได้แล้วคือภพไหนๆก็ไม่มีอีกแล้วการเกิดไปในภพทั้งสามการมาภบรูปภพอรูปภพนีงไม่มีเพราะว่าตัณหาที่มันพาไปเกิดนั้นหมดไปแล้วส่วนกระผมยังเป็นผู้พัวพันธ์ด้วยการมาคุณห้าเขาก็รู้นะว่าเขายังชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่นาใครนาชอบใจอยู่นะ่ไม่อาจออกบวชได้ ขอท่านจงบอกบุญกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมควรแก่กระผมผู้คลองเรือนอยู่นี่แหละครับขอให้บอกเถอะว่าจะทำอย่างไรดีครองเรือนแล้วก็ยังปราถนาบุญอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องความฉลาดของเขาคือคนที่คลองเรือนเนี่ยที่จะมาคิดอย่างนเนี้ยเนี่ยยากโดยเฉพาะท่านเศรษฐีเศรษฐีในสมยนัยนี้ไม่คิดหรอกว่าจะกระทาบุญอะไรอันสมควรแก่การครองเรือน คิดไปอย่างอื่นนะคือคิดจะหาไอ้ลูกเสียงกินรสสัมผัสที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นนะคนทั้งหลายเขาคิดกันพระเทระจึงบอกน้องชายว่าสาธุดีแล้วเจ้าผู้เป็นบัณฑิตเจ้าจงให้สร้างพระคันทกุูดีสาหรับพระาศาสดาบอกเลยว่าสร้างพระคันทกุูดีขันทะนี่ก็หอมนะพระคันทกุูดีจะทําด้วยไม้หอมของหอมสําหรับพระาศาสดา น้องชายนั้นรับคำพี่ชายว่าสาธุคือดีแล้วแล้วยังชนผู้เป็นบริวารให้นำไม้ต่างๆมาแล้วให้ถากให้เป็นเครื่องทรรมกุตินะคันทกุติคือทำเสาทำประตูหน้าต่างให้ทำเสาทั้งหมดให้ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการคือต้นหนึ่งขจิตด้วยทองคาทาด้วยทองคำ อีกต้นหนึ่งทำด้วยเงินอีกต้นหนึ่งทำด้วยแก้วมณีเป็นต้นแก้วเจ็ดประการเนี่ยทำไปเสาแต่ละต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วให้สร้างพระคันทักคุดีด้วยเสาเหล่านั้นให้มุงด้วยกระเบื้องสำหรับมุงอันขจิตขจิตไม่รู้แปลว่าอะไรนะขจิตก็คงทําเนะ่ยอันขจิตด้วยแก้วเจ็ดประการเหมือนกันคือคือบนบนบน หลังคาที่สูงกับอนพื้นที่ต่ำเนี่ยมีแก้วเจ็บตาการทำไว้รอบลองนึกภาพมาดูก็แล้วกันพวกเราไปวัดจะเห็ น, หนไหมั้เขาจะปิดกระจกปิดแก้วเนี่ยทำเรียนแบบแต่ละมันแก้วมันมกระจกมันไม่ใช่แก้วจริงๆในเวลาสร้างพระคันธกุฎีนั่นแหละหลานชายชื่ออัปราชิตะชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกับน้องชายเนี่ยน้องชายชื่ออราชิต ได้เข้าไปหาอราชิตะกุดุมพีผู้สร้างพระคันธโกดีแล้วกล่าวว่าขอให้ฉันได้ช่วยสร้างพระคันธโกดีท่านจงให้ส่วนบุญแก่ฉันด้วยเถิดคุณลุงบอกคุณลุงขอสร้างด้วยอราชิตเป็นหลานเนี่ยเขาขอจ้างเขาก็บอกว่าพ่อฉันไม่ให้ฉันจักสร้างคนเดียวไม่ให้คนอื่นมาร่วมสร้างด้วยนี่นะเรียกว่าหวงบุญนะหวงบุญ ไม่ให้สร้างไม่เอาเดี๋ยวมาแบ่งบุญฉันหลานชายนั้นก็อ้อนวอนอยู่บ่อ ย, อยเมื่อไม่ได้ส่วนบุญจึงคิดว่าเอเขาไม่ให้เราสร้างพระคันธกุฎีเราก็ต้องหาเรื่องทำบุญให้ได้เราควรจะได้กุญชรนสาลาคือสาลาที่มีรูปเหมือนช้างอยู่ข้างหน้าพระคันธกุฎีจั ด, ดีกว่า ดังนี้แล้วก็ให้สร้างคุณชรสาลาที่สำเร็จด้วยแก้ว9ประการอา้าไม่ให้เราสร้างกระกูดีเอา้าเราสร้างบางหน้าซะเลยสร้างสาลาที่พระพุทธเจ้าจ้องสเสด็จออกมาสแสดงธรรมหรือมาตอนรับพุทธบริษัทด้วยบุญนั้น้นเขาเกิดเป็นเมนทกะเศรษฐีในสมัยพุทธกาลปัจจุบันบุญอันนี้บุญที่สร้างกุญชรสาลาเนี่ยเมนทกะเศรษฐีนี่ก็รวยมากนะ เรียกว่าเป็นมีชื่อปรากฏอยู่ในชมพูทวีปสมัยนั้นเลยว่าคนรวยแล้วต้องเมนตะกะเรียกว่าติดอันดับท็อป10ทนนะ็ทอป10ก็บานหน้าต่างใหญ่สามบานที่ทำด้วยแก้วเจ็ดประการได้มีในพระคันทกุดีอัปราชิตะคราบดีได้สร้างสะโปกคราณีสามสะที่โบกด้วยปูนขาว ณภายใต้ที่ตรงบานหน้าต่างเหล่านั้นหน้าต่างสามบานใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสะโบครณีอยู่ใกล้ๆให้เต็มด้วยน้ำหอมอันเกิดแต่ชาติทั้ง4่ชาติทั้ง4เนี่ยชาติอะไรบ้างคือของหอม5้าอย่าง5อย่างได้แก่หญ้าฝรันน่งนะแล้วก็ดอกไม้ที่มันเกิดในประเทศยวน แล้วก็กฤิ่สนาแล้วก็กรรมยานซึ่งหอมเหลือเกินเอาไปไว้ตรงนั้นนะ่ะจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยด้วยกลิ่นหอมให้พระพุทธเจ้าได้ได้รับกลิ่นหอมอยู่เสมอแล้วให้ปลูกดอกไม้ห้าสีห้าสีก็หมายความบูชาด้วยสีสวยๆให้ย่อยบรรดาแก้วให้ทำให้ละเอียดบรรดาแก้วเจ็ดประการแก้วที่ควรแก่ความเป็นของที่จะพึงย่อยได้แล้ว ถือเอาแก้วที่ย่อยๆเนี่ยที่ทำให้ละเอียดละเอียดนี่ยให้เล็กๆลงเนี่ยทั้งหมดเลยไปโปรยรอบพระคันทากุดีสูงถึงเขา่าเต็มบริเวณพระคันทากุดีหมดคิดดูภาพออกกันคิดดูนึกภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะพระคันทากุดีนั้นตั้งอยู่งดงามดุดนกยุงลำแพนันด้วยประการชนนี้ คือกระเบื้องที่ยอดพระกุดีก็ทาด้วยทองคาแล้วก็มีแก้วมันีอีกอย่างต่างๆคือแก้วพวกเพชรพวกพลอยต่างต่าราชิตะข้าบดียังพระคันทกุูดีให้สำเร็จด้วยอาการอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปหาพระเถระพี่ชายเรียดถามว่าท่านขอรับพระคันทกุูดีสาเร็จแล้วกรผมหวังการใช้สอยพระคันทักกูดีนั่น ได้ยินว่าบุญเป็นอันมากย่อมมีเพราะการใช้สอยคือการสร้างพระคันธกุฎีถวายนะแล้วก็ได้บุญอยู่แล้วแต่จะยิ่งได้บุญอีกเมื่อพระมีพระเจ้าได้สเสด็จไปใช้สอยพระเถระจึงเข้าไปฟาดพระาศาสดากราบทูลว่าพระเจ้าข่าทราบว่ากุดุมพีผู้นี้ให้สร้างพระคันธกุฎีเพื่อพระองค์บัตรนี้เธอต้องการการใช้สอยพระาศาสดาสเสด็จลุกจากอาสนะแล้วสเสด็จไปสู่ที่เฉพาะหน้าพระคันธกุฎี ทอดพระเนตรกองรัตนะที่เขากองร้อมรอบพระคันธกุฎีได้ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มแห่งประตูคือไม่เข้าไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตูเมื่อกุดุมพีนั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข่าการรักษารักษาขอมีค่าเหล่านี้จักมีแก่ข้าพระองค์เองขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปเถิดพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไป ใรพระคักดีพระของนขอมีค่ามากก็เขามีอธิบายนะว่าพระศาสดาพระทับยืนอยู่ที่นั้นทอดพระเนตรดูพระเถระพี่ชายของกุดุมพีนั้นสามครั้งพระเถระทราบอาการที่ทอดพระเนตรนั้นแหละนี้เรียกว่ากายวิญยัตคือมองมองมองไปที่พระคันธภุดีแล้วก็มามองที่ พระเถระเสนาพระเถระก็ทราบได้เลยว่าพระพุทธเจ้าต้องการอย่างไรพระเถระจึงบอกน้องชายบามาเถิดพ่อจงทูลพระศาสดาว่าการรักษาจะมีแก่ข้าพระองค์เองขอเชิญพระองค์ประทับอยู่ตามสบายเถิดอปาราชิตะได้ฟังคําพระเถระแล้วก็ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคับดิดกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพวกมนุษย์เข้าไปที่โคนไม้แล้วไม่มีความเยื่อใย หลีกไปชันใดคือไปอาศัยคนไม้เนี่ยแล้วก็ออกไปจากคนไม้ไปอาศัยล่มเงาโคนไม้ก็ไม่ไปติดใจอยู่กับคนไม้นั้นอีกฉั้นใดอ น, นึ่งพวกมนุษย์ข้าแม่น้ําไม่มีความเยื่อใยสละแพ่เสียแล้วฉันใดขอพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใยฉันนั้นประทับอยู่เถิดก็เหตุไรพระศาสดาจึงประทับยืนอยู่ ได้ยินว่าพระองค์ทรงมีพระปริวิตกอย่างนี้ว่าชนเป็นอันมากย่อมมาสูรที่อยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในเวลาก่อนอาหารบ้างในเวลาหลังอาหารบ้างเมื่อชนเหล่านั้นถือเอารัตนะทั้งหลายไปอยู่พวกเราไม่อาจห้ามได้และกุดุมพีจะพึงติเตียนว่าเมื่อรัตนะประมาณเท่านี้เราโปรยลงแล้วที่บริเวณพระศาสดาไม่ห้ามปราบอุปัฏฐากของพระองค์แม้ผู้นารัตนะไปอยู่ ก็มีดังนี้แล้วทำความกโกรธในเราคือไหนพระพุทธเจ้าพึงเป็นผู้เข้าถึงอบายคือพระศ า, ศาสดาเนี่ยกรุณาสงสารอราชิตะกุดุมพีว่าเดี๋ยวจะมากโกรธพระองค์ว่าพระองค์ไม่ห้ามพุทธบริษัทมาหยิบเอารัตนะไปเขาจะไปสู่อบายภูมิจึงต้องประทับยืนอยู่แล้วทอดพระเนตรถึงสามครั้งเพราะเหตุนี้พระศ า, ศาสดาจึงได้ประทับยืนอยู่แล้วต่เมื่อเขา ประกาศว่าเขาจะรักษารัตนะนั้นเองพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปแม้กุดุมพีก็ตั้งการรักษาไว้โดยรอบใ น, นหน่วยรักษาความปลอดภัยสั่งมนุษย์ทั้งหลายว่าพ่อพวกเธอจงห้ามชนทั้งหลายผู้ถือเอารัตนะด้วยพวกหรือด้วยกระเช้าและกระสอบไปแต่อย่าห้ามชนผู้ถือเอาไปด้วยมือคือถ้ามาแล้วเนี่ยเอาหยิบไปมือเอามือหยิบไปไม่ห้าม แต่ถ้าห่อไปเอากระเช้าใส่ไปเอากระสอบใส่ไปเนี่ยหา้ามนะมันมากไปมันเอามากไปนะเอาพอสมควรนะเอาพอสมควรนะไม่ได้หา้ามไม่ได้หวงหรอกแต่ว่าให้คนอื่นเขามาได้บ้างนะเราจะไหวไหมเนี่ยนะเราจะใจถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยนะคนโลภมันก็ต้องโลภนะมันก็ต้องพยายามเลือกไอ้ที่ดีที่สุดนะนะเขาให้เราเลือกเขาเนี่ย แต่คนไม่โลภเนี่ยเขาจะเอาไปเพิ่โอ้เขาบูชาด้วยรัตตนะตั้งยิ่งใหญ่อย่างนี้เราทำไมไม่บูชาบ้างมาจะาไปถวายไปบูชาอีกนี่สําหรับคนไม่โลภคนมีปัญญาแม้ในภายในนครก็ให้บอกว่าก็ให้ประกาศว่ารัตรนะเจ็ประการที่เราโปรยลงแล้วที่บริเวณพระคันทกุดี มนุษย์เข็นใจทั้งหลายผู้ฟังธทมในสำนักพระาษาสดาแล้วจงถือเอาเต็มมือทั้งสองมนุษย์ทั้งหลายแม้ที่ไม่อยากจนเข็นใจก็จงถือเอาด้วยมือเดียวเอาคนที่ไม่อยากจนเข็นใจเอาสองมือเอาให้เต็มนะถ้าไม่มีมือแย่หน่อยนะไม่มีมือก็เอาได้อยู่กันนะไม่มีมือก็พยายามเอาไปให้ได้แล้วกันถ้ามือถ้า ร่ลำรวยดีแล้วมีทรัพย์สิพอสมควรแล้วก็ถือเอาไปมือเดียวนะอย่าไปเอาสองมือเหมือนเขา <c oughs> ตอนนี้คงอิจฉาพวกมนุษย์ยากจนหน่อยล่ะไม่รู้ว่าเศรษฐีจะปลอมเป็นคนยากจนไปบ้างหรือเปล่าจะได้เอาสองมือ <c oughs> ถ้ามันโลภ ก, ก็เอาเหมือนนะปลอมเป็นคนยากจนไปเถอะไปเอาสองมือดีกว่าได้ยินว่าอปราชิตกุดุมพีมีความคิด อย่างนี้ว่าชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาประสงค์จะฟังธรรมก่อนจึงจักไปทีเดียวคือคนที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในคุณพระรัตนตรัยเขาย่อมเห็นคุณค่าพระพุทธเจ้ามากกว่ารัตนะทั้งเจ็ดประการเขาก็ไปโดยธรรมชาติเขาอยู่แล้วศรัทธาเนี่ยต้องไปไปฟังธรรมไม่สนน่ะจะได้หรือไม่ได้ไม่จำเป็นได้ธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วสูงสุดจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแลนะ เพราะไอ้ลัตตนาของเราเนี่ยเราได้กันมาประจําอยู่แล้วเราให้ทานนิดนิดหน่อยหน่อยก็สามารถที่จะมีลัตตนาของมีค่ามีทองมีหยองอะไรเนี่ยติดตัวไปได้แต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะติดหัวใจเราเนี่ยมันยากแสนยากฟังมายี่สิบปีจะติดถึงยี่สิบคำหรือเปล่าติดอยู่ในหัวใจเนี่ยจะได้ใช้เป็นประโยชน์ไปจริงๆหรือเปล่าแล้วก็พระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยหายาก คือเราจะไปหาทองคำหาเพชพรพลอยอะไรในโลกนี้ก็หาได้มากมายแต่พระธรรมคำเดียวของพุทธเจ้าที่จัดเนี่ยเราจะหาไม่ได้เลยจากคนที่ไม่ไม่มีปัญญาหาไม่ได้แล้วก็ถ้าเบื่อพุทธเจ้าไม่เกิดมาในโลกนี้ก็เลยหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาก็จะไปฟังธรรมก่อนก็ไปทันที ส่วนผู้ไม่มีศรัทธาก็ไปด้วยความโลภในทรัพย์แต่เขาไปฟังธรรมแล้วก็จักพ้นจากทุกข์ได้อันนีเน้เป็นความสงสารความเมตตาของอปราชิตะกุดุมพีอย่างยิ่งเลยเพราะเหตุนั้นเขาจึงได้บอกอย่างนั้นเพื่อต้องการจะสงเคราะห์ชนเรียกว่าเอาความโลภเนี่ยมาเป็นสื่อให้ไปฟังธรรมเอาทรัพย์มาวางไว้ให้คนเกิดความโลภ แต่ก่อนจะเอาทรัพย์ไปก็ให้ฟังธรรมก็จะได้ได้ทั้งพระธรรมแล้วก็ได้ทั้งทรัพย์ไปด้วยเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยอยากฟังธรรมหรอกเพราะไ้ความโลภมันไม่อยากฟังมันอยากฟังแต่เสียงอะไรอยาความโลภมันอยากฟังแต่เสียงที่เกี่ยวว่าความโลภมันดิที่เกี่ยวครับสิ่งที่ความโลภมันต้องการความโลภมันต้องการอะไรอะ่ะ ต้องการของเราของเราของเรามีให้มีมากๆก็ต้องการเสียงแต่ละเสรินเสียงไพ่ล้ออะไรแบบนั้นเสียงดนตรีไพ้ความโลภมันชอบใช่ไหมเสียงเพราะเพะของเพศตรงกันข้ามอะไรอย่างนี้ธรรมะไม่เอาแต่เมื่อมาฟังธรรมแล้วเนี่ยความโลภจะได้หมดไปด้วยนี่เป็นอย่างนั้นประชาชนก็มาถือเอารัตตนาทั้งหลายตามกําหนดที่เขาบอกนั่น แ, แล เมื่อรัตนะที่เขาโปรโยลงไว้คราวเดียวหมดแล้วเขาก็ให้โปรโยไปเรื่อยๆต้องหมดแน่แล่ะเพราะว่าคนต้องมากันมากเรียกว่าแทบจะวัดแตกอะเรียกว่านะวัดจะไม่พอรับคนเพราะคนต้องการจะมาได้รัตนะทั้งเจประการ เ, เมื่อหมดแล้วเขาก็ให้โปรโยลงไปเรื่อยๆสูงถึงเข่าถึงสามครั้งสามครั้งทีเดียว อันหนึ่งเขาได้วางแก้วมณีอันมีค่าประมาณมิได้เท่าผลแตงโมแทบแทบบาดมูลของพระศาสดาคือแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าได้ยินว่าเขามีความคิดอย่างนี้ว่าชื่อว่าความอิ่มจากไม่มีแก่ชนทั้งหลายผู้แลดูรัศมีแห่งแก้วมณีพร้อมด้วยพระรัศมีอันมีสีดุจทองคำ เกิดที่เกิดจากพระตรีละของพระศาศสดาคือคนเราเนี่ยก็ชอบสีสวยๆเมื่อได้ดูสีแห่งแก้วมณีก็พอใจแล้วก็จะได้อิ่มใจด้วยศรัทธาที่ได้เห็นพระัศมีซึ่งมีสีเหมือนทองคําจากพระตรีละของพระศาศสดาก็จะเกิดศรัทธายิ่งยิ่งว่าโอ้พระตรีละของพระศาศสดาเป่งตังไพรโลด รุ่งเรืองยิ่งกว่ารัตนะเหล่านี้อีกเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทำอย่างนั้นแล้วประชาชนทั้งหลายก็แลดูพัะสรีละของพระพุทธเทจ้าพร้อมทั้งรัศมีแห่งแก้วมณีทั้งเ็ดประการรัศมีแห่งแก้วมณีที่โตเท่าผลแตงโมด้วยความไม่อิ่มเลยคือดูกันอยู่เรื่อยมากันอยู่เรื่อยมาดูแล้วก็มาชมสารเสรินกันอยู่เรื่อย ต่อมาวันหนึ่งพระรามิชชาริทิมิชชาริทิก็คือไม่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยไม่มีความเห็นว่าพระรัตนตรัยจะมีคุณค่าอะไรพระพุทธเจ้าไม่มีคุณอะไรกับเขาหรอกเขาก็เชื่อเรื่องพรมเรื่องเรื่องของเขาเรื่องล้างบาปลอยบาปอะไรเข้าไปบูชาไฟอะไรไปพระรามคนนี้คิดว่าได้ยินว่าแก้วมณีนี่มีค่ามากกุฎุมพีนั้นวางไว้แทบบาดมูล ของพระศาสดาเราจะขโมยแก้วมณีนั้นไปด้วยเรียกว่าไปด้วยโลภะอากุศลเลยนะอากุศลโลภะเลยสำเร็จเลยเป็นอะไรอภิชาละอภิชาเอาทรัพย์นั้นมาให้ได้นะต้องเอาแก้วมณีนั้นมาให้ได้จึงไปสู่วิหารแล้วก็เข้าไปในระหว่างประชาชนที่เข้ามาเพื่อจะถวายบังคมพระศาสดา พรุมพีกำหนดได้รู้ได้นะว่าพรามผู้นี้ประสงค์จะมาขโมยแก้วมณีด้วยอาการแห่งการที่พรามเข้าไปนั่นแหละคือมันลุกได้ลุกลนนะ่น่ะมันมีพิรุธมันเข้าไปแบบเรหลัก ๆ, ๆตามันตามันบอกลักษณะมันบอกนะว่ามันมีความโลภคือไอ้ความโลภเนี่ยมันเกิดกระใจใจก็ไปทำให้อร่างกายเรามันมีมันมีอาการพิเศษออกมาให้รู้ได้ว่าไอ้เนี่ยโลภแล้ว ให้เนี่ยโกรธแล้วเขาเรียกว่ารูปที่เกิดจากจิตจิตเรามีความโลภเนี่ยตาเราจะต้องช้ำเลืองช้ำเลืองไปที่ไอที่เราอยากได้อยู่เรื่อยเราชอบใครหรือว่าเราอยากได้อะไรไอ น, นี่มันสวยเนี่ยเราจะต้ช้ำเลืองไปเรื่อยหลอกแหลกไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นกูดุมพีรู้ว่าเขาจะมาขโมยก็คิดว่าโอ๊ยตายแล้วอพรามนี่ไม่ควรมาขโมยหรอกภาษาว่าโอ๋เนาะพรามไม่ควรถือเอา แต่พรามนั้นวางมือไว้แทบบาดมูลคล้ายจะถวายบางโคมพระศ า, าสดาแล้วก็ถือเอาแก้วมณีก้อนลูกโตถ้าผลแตงโมอย่งนั้นซ่อนใส่ไว้ในเกลียวผ้าแล้วก็หลีกไปยังอุซาขโมยได้เรียกว่าเก่งละคุณดุมพีไม่อาจทำจิตให้เลื่อมใสในพรามนั้นได้ไม่อาจทำจิตให้สละ แ ต, แต่งผลแตงโมแก้วผลแตงโ ม, มนั้นได้เลยโอ้ไม่ไม่เลื่อมใสไม่ชอบใจในพรามนั้นในเวลาจบธรรมกถากุุมพีได้เข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดากราบทูลว่าพระเจ้าข่ารัตนเจดประการอันค่าพระองค์โปรยล้อมรอบพระคันธกุฎีถึงสามครั้งสูงถึงเขา่าเมื่อประชาชนทั้งหลายนำเอารัตนะเหล่านั้นไปขึ้นชื่อว่าความกโกรธ ความอาฆาตไม่ได้มีแก่ข่าพระองค์จิตก็ยิ่งเรื่อมใสขึ้นเรื่อยๆชอบใจเขาได้เขาเอาของเราไปเนี่ยชอบแต่วันนี้ข่าพระองค์คิดว่าโอ๋หนอพราหมณ์นี้ไม่ควรถือเอาแก้วมณีไปเมื่อพราหมณ์นั้นถือเอาแก้วมณีไปแล้วจึงไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้วันนี้ผิดกับวันอื่นๆเพราะไปเห็นข่าว่าแก้วมณีเนี่ยมีค่าควรแก่พระพุทธเจา้าพราหมณ์นีไม่ควร ไปคิดอย่างเนี้ยไปเห็นโทษของพรามไปคิดถึงโทษของพรามคิดถึงความอยากได้ของพรามพระศาสดาทรงสับคํคของกุดุมพีนั้นแล้วจึงตัดว่าอุบาสกท่านไม่อาจเพื่อจะทาของมีอยู่ของตนให้เป็นของที่ชนลาวอื่นนำไปไม่ได้ไม่ใช่หรือนี่เป็นการเป็นการบอกวิธีว่าถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะไม่ให้ใครมาข เอาของท่านไปอะท่านท่านทำได้ไม่ใช่หรือท่านก็ทำได้นะไม่ใช่หรือกูดุมพีนั้นก็รู้เลยดำรงอยู่ในในัยยะที่พระศาสดาประทานแล้วถาวายบังคมพระศาสด า, าได้ตั้งความปรารถนาขึ้นเลยว่าพระเจ้าข้าพระราชาหรือโจรตั้งหลายร้อยชื่อว่าสามารถเพื่อจะข่มเหงข่าพระองค์ ถือเอาแม้เส้นได้แห่งชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์จงอย่ามีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้ไฟก็อย่าไหม้ของของข้าพระองค์แม่น้ําก็อย่าพัดตั้งความปรารถนาด้วยบุญเลยตั้งแต่วันนี้ไปนะพระราชาหรือโจรจะมาบังคับข่มเหงต้นชิงเอาแม้จะเพียงเส้นได้ของชายผ้าของเราเนี่ยของของตัวเองไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปแล้วก็ ไฟก็ดีน้ำก็ดีก็อย่าได้พัดพาเอาทรัพย์ที่เป็นสมบัติของตนเองนั้นไปเลยเนี่ยเขาตั้งความปรารถนาด้วยอำนาจบุญนะความมหัศจรรย์ของบุญเนี่ยมีนับไม่ได้มีบรรยายไม่ได้เราอยากจะไม่ให้ใครมาเอาของของเราก็ตั้งความปรารถนาไว้เลยทำบุญแล้วก็ปรารถนาไว้ว่าของของข้าพเจ้า อย่าให้ใครมานำไปได้ไม่ว่าผู้นั้นจะยิ่งใหญ่มาจากไหนนะแม้พระศาสดาก็ได้ทรงทาอนุโมทนาแก่กุดุมพีนั้นว่าขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จกุดุมพีนั้นได้ทำการฉลองพระคันธกุฎีถวายบาหาทานแก่ภิกษุ 68,000 68, 0ปดแส0 0ล้านในภายในวิหารนั่นแหละตลอด9เดือน เมื่อถึงเวลาที่สุดแล้วได้ถวายไตยจีวรแก่ภิกษุทุกรูปผ้าสาดกสำหรับทำจีวรของภิกษุผู้บวชใหม่ในหมู่สงฆ์นั้นมีค่าถึงผัดหนึ่งแสดงว่าร่ำรวยมากมหาศาลมากทาเกือบปีนะเก้าเดือนนี่ไม่ใช่ธรรมดาหกล้านแปดแสนรูปลองคิดดูว่า เฉพาะคนที่เข้าไปทํางานนะจะต้องมีเท่าไหร่คนที่ต้องไปเข้าไปช่วยทําอาหารเนี่ยจะต้องมีทั้งเท่าไหร่กดุมพีนั้นทําบุญทั้งหลายจนตลอดอายุอย่างนั้นแล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวคือเกิดตายเกิดตายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกนานมากจนในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราได้บังเกิดขึ้น เขาก็ตายจาก เ, าเขาได้มาถือปฏิสนธิคือมาเกิดในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งในกรุงราชครึกอยู่ในท้องของมารดาตลอดเวลาเก้าเดือนครึ่งไม่ครบสิบเดือนเก้าเดือนครึ่งในวันที่กุดุมพีนั้นเกิดอาวุธทั้งปวงในพระนครทั้งสิ้นก็รุ่งโรจน์ขึ้นคือมีแสงสว่างวาบขึ้นแม่อภรรทั้งหลาย ที่สวมอยู่ในกายของชนทั้งหลายก็เป็นราวกับว่ามีลัศมีออกมาพระนครได้มีแสงสว่างรุ่งโรจน์เป็นลัศมีอันเดียวกันเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็เข้ามาสู่ที่บํารุงพระราชาแต่เช้าตรู่คือเศรษฐีเนี่ยเขามีหน้าที่มารับใช้พระราชาเอาทรัพย์ให้หรือทำงานของพระราชาพระราชาจึงถามเศรษฐีว่า วันนี้อาวุธทั้งหลายลุ่งโลดแล้วพระนครก็ลุ่งโลดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านรู้เหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่เจตถีตอบว่าข้าแต่สมมติเทพข้าพระองค์ทราบ พ, พระราชาก็ถามว่าเหตุอะไรเจตฐีทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเจตฐีบอกว่าทาตของพระองค์ก็คือลูกของตัวเองอะ่ะคือพระราชานมีอํานาจเหนือประชาชนประชาชนคล้ายๆเป็นทาตนะ ชาติของพระองค์เกิดในเรือนของข้าพระองค์ก็คือลูกของเขานั่นแหละความรุ่งโรจน์นั้นได้มีแล้วด้วยเดชแห่งบุญของเขานั่นแหละเนเห็นเห็นเห็นเห็ น, หนบุญของเขาไหมว่าตามมาส่งผลให้แก่เขาเองให้แก่ตัวอ า, อาปะอประเริชิตะเศรษฐีนั่นแหละพระราชาถามว่าเขาจะเป็นโจรกันมั้ง เศรษฐีบอกว่าค่าแต่สมมุติเทพข้อนั้นไม่มีสัตว์มีบุญได้ทำอภินิหารไว้แล้วอภินิหารเนี่ยคือบุญที่ทำไว้ยิ่งใหญ่ต่อหน้าต่อพระพักรของพระธมรมจัพุทธเจ้าพระราชารู้ว่าเขาไม่เป็นโจรก็ดีพระไทยตั้งทรัพย์เป็นค่าเลี้ยงดูวันละพันธหนึ่งด้วยพระดำรัสที่ว่าถ้าอย่างนั้นเธอเลี้ยงเขาไว้ให้ดีจึงจะสมควรนี้เป็นค่าน้านมสาหรับเขา ในวันที่จะตั้งชื่อเด็กคนนั้นชนทั้งหลายอาศัยความรุ่งโรดของอาวุธจึงได้ตั้งชื่อว่าโชติกะโชติกะแปลว่ารุ่งโรดนะเพราะว่าพระนครทั้งสิ้นรุ่งโรดเป็นอันเดียวกันต่อมาในเวลาที่เขาเติบโตแล้วเมื่อภาคพื้นที่เขาลงชาระอยู่ คือแพ่วถางเพื่อต้องการปลูกเกลือนให้อยู่เขาโตขึ้นมามากแล้วจะต้องคลองเลือน <Yeah. S 1> ก็ต้องไปถางที่พบของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนแล้ว <Yeah. S 1> คือผู้มีบุญเนี่ยเทวดาย่อมเดือดร้อนน่ะปกติเ <Yeah. S 1> ท้าสักกะก็นั่งอยู่ในบันดุศิลาอาจอย่างสบายๆนิ่มๆดีเอ๊ะวันนี้แข็งขึ้นมาแต่แล้วนี่มันเรื่องอะไรเท้าสักกะต้องมาตรวจดูแล้วใครมีบุญ หรือใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรท้าวสกกะก็ใครครวนว่านี่มันเรื่องอะไรก็ทราบว่าชนทั้งหลายกำลังจับจองที่ปลูกเรือนเพื่อโชติกะท้าวสกกะคิดว่าโชติกะนี้จะไม่อยู่ในบ้านที่ชนทั้งหลายทำให้การที่เราไปเนรมิตบ้านนั่นะสมควรจะไปสร้างบ้านให้จึงสเสด็จ มาด้วยเพศของนายช่างไม้มาเป็นช่างสำหรับที่จะทำบ้านให้เฉพาะโชติกะเลยด้วยบุญอะไระบุญที่เขาสร้างพระคันทักูดีคันแล้วก็ได้ถามว่าพวกท่านกำลังทำอะไรกันนี่เท้าสักกะเทวดามหัวหน้าเทวดา ม, มาประชาชนบอกว่าพวกฉันจับจองที่ปลวกเรือนสำหรับโชติกะ ท้าสักกะจึงบอกว่าพวกท่านลีกไปโชติกานี้ไม่อยู่ในเรือนที่พวกท่านปลูกล็อกแล้วก็ทอดพระเนตรดูสถานที่ประมาณสิบหกรีดสถานที่นั้นก็สม่ำเสมอคือเท่ากันในทันทีเหมือนกับวงกสินวงกสินที่จะต้องทําให้เท่านะเหมือนกับลานในลานที่เขานวดข้าวนวดข้าวใหญ่ๆอ่ะจะทําเป็นวงกลมเพียงมองเท่านั้นเองก็เป็นวงกลมเกิดขึ้นแล้วโดยอํานาจ เทวฤกษ์ของเท้าสักกะนั่นเองไม่ต้องมาถมที่นะให้ลําบากมองแล้วก็เรียบร้อยเลยเท้าสั ก, กะคิดอีกว่าขอปราสาทเจ็ดชั้นสําเร็จด้วยแก้วเจ็ประการจงชําแรกแผ่นดินผุดขึ้นณนะที่นี้แล้วก็ทอดพระเนตรดูอธิษฐานด้วยแล้วก็ทอดพระเนตรดูด้วยปราสาทยอย่างนั้นก็ผุดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองเราจะเชื่อไหมล่ะนะ เด็กสมัยนี้ก็หัวล่อกันตายเลยหรือไม่เด็กคนระับผู้ใหญ่สมัยนี้ก็คงหัวล่อกันแย่เลยบอกมันเป็นไปได้ยังไงดูซิว่าจะสร้างตึกได้เนี่ยโอ้ยตั้งหลายวันหลายปีว่าจะสร้างตึกขึ้นมาที่ตั้งเจ็ดชั้นนะแล้วแถมทําด้วยแก้วเจ็ดประการอีกนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยท้าสักกะทรงดํารีอีกว่าขอกําแพงเจ็ดชั้นที่สําเร็จด้วยแก้วเจ็ดประการจงผุดขึ้นแวดล้อมปราสาสนี้แล้วทอดพระเนตรดู กำแพงก็ผุดขึ้นอีกครั้งนั้นเท้าเธอทรงดําริว่าขอต้นกลับประพฤกต้นนี้นี่ไปหามาไว้บ้างดีคือต้นนี้เนี่ยมันไปนึกอะไรแล้วมันของมันออกมาอย่างนั้นอ่ะของมันออกมาเป็นตามที่เรานึกเราอยากได้อะไรอยากได้ข้าวออกมาเป็นข้าวอยากได้ขนมออกเป็นขนมอยากได้อะอะไรออกมาเป็นอย่างนั้นนะต้นนี้ต้นไม้นี้มีเฉพาะในสวรรค์แต่กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์ได้ด้วยอํานาจบุญของโชติกะเศรษฐีนี้ ขอต้นกระพึกทั้งหลายจงผุดขึ้นในที่สุดรอบกำแพงเหล่านั้นแล้วทอดพระเนตรดูต้นกระพึกทั้งหลายก็ผุดขึ้นท้าวส ก, กะทรงคิดอีกว่าขุมทรัพย์สี่ขุมจงผุดขึ้นที่มุมทั้งสี่แห่งปราศาททุกสิ่งก็ได้มีอย่างนั้นเหมือนกันขุมทรัพย์นะขุมใหญ่เลยในบรรดาขุม